จเจรอญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ทานวัดยาณวสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมบราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีทอดกะถินขึ้นมาเป็นพิธีบุญที่ยิ่งใหญ่ประจำปีเพราะปีหนึ่งจะถวายผ้ากะถินได้เพียงหนึ่งครั้งสาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้มีการถวายผ้ากะถินเพราะเนื่องจากสมัยพุทธกาลนั้นตอนที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆและทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สารโลกก็ปรากฏมีผู้บรรลุธรรมและมีจิตศรัทธาที่จะบวชกับพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากในระยะแรกๆเรื่องของการหาผ้า มาใช้ตัดเย็บจีวรก็พอเป็นไปได้คือผ้าต้องไปหาผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามป่าช้าบ้างตามกองขยะบ้างตามข้างถนนข้างทางบ้างเก็บเอามาสะสมไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอได้ประมาณพอกับการตัดเย็บจีวร ก็นำมาตัดเย็บจีวร น, นั่นคือเครื่องนุ่งห่มคือจีวรของพระในสมัยบุกเบริรกยังไม่มีการถวายผ้าจีวรให้กับพระสงฆ์สิ่งเดียวที่ญาติโยมถวายให้กับพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็คืออาหารบิณฑบาตพระก็ไปหิ้วบาตรอุ้มบาตรเข้าไปในบุุงบ้านแล้วญาติโยมก็ สักบาตรถวายอาหารให้แต่ยังไม่มีการถวายจีวรไม่มีการถวายกุฏิวิหารประสงค์ท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำตามเนื้อผาตามเรือนร้างต่างๆยารักษาโรคก็ไม่มีการถวายท่านก็รักษาตามบุญตามมีตามเกิด มีสมุนไพรก็รักษาไปด้วยสมุนไพรไม่มีก็ใช้การดื่มน้ำปัสสาวะก็พอที่จะรัรกษาโรคบางอย่างให้หายไปได้ต่อมาก็มีผู้มีศรัทธาขอบวชเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นการหาผ้าเลยเป็นการยากเพราะผ้ามีจำนวนน้อยกว่าพระที่ต้องการใช้ผ้า พระท่านก็เลยไม่มีผ้าเปลี่ยนมีวันหนึ่งมีกลุ่มของพระภิกษุกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมากับพระพุทธเจ้าในระหว่างทางก็เจอฝนจีวรที่ผมมาก็เปียกบอนเวลาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าด้วยการห่มผ้าจีวรที่เปียกพระพุทธเจ้าเห็นก็ส่งเห็นความลำบากของพระ จึงได้ทรงมีพุท ธ, ธานุญาตให้ญาติโยมถวายผ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปตัดเย็กเป็นจีวรจึงเริ่มมีพิธีการถวายผ้าตั้งแต่บัดนั้นมาการถวายผ้ากรถิน่นนี้พระองค์ก็ทรงไม่ต้องการใหเ้เป็นการกระทำที่ ยืดเยือ้อไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะเรื่องของผ้านี้มันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากจึงทรงบัญญัติให้ถวายได้เพียงเดือนเดียวต่อปีคือตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันขึ้น15บห้ข้ามเดือน12วันลอยกระทงเรียกว่าเป็นกะถินนาการแปลว่าเป็นเขตที่ญาติโยง จะถวายผ้ากรถินให้กับพระภิกษุได้และวัดหนึ่งก็รับได้เพียงครั้งเดียวและพระที่จะรับผ้ากรถินได้ก็ต้องอยู่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นด้วยมีห้ารูปขึ้นไปถึงจะมีสิทธ์ที่จะรับผ้ากรถินได้และเมื่อรับผ้ามาแล้วในวันนั้น ก็ต้องร่วมกันตัดเย็บแล้วก็ซักย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นด้วยอันนี้เพื่อเป็นการเสริมความสามคัคคีความปรองดองให้มีให้ให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยทำกิจของสงฆ์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะความสามัคคีของสงฆ์นำความเจริญมาสู่สงฆ์พระพุทธศาสนา จะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่ความเจริญหรือเสื่อมของพระภิกษุสงฆ์ถ้าพระภิกษุสงฆ์เสื่อมพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปเพราะเหตุใดเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์นี้จะเป็นผู้ที่จะมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติและมาบรรลุธรรมแล้วพอบรรลุแล้วก็จะได้ ทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อต่อไปถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรูธ้ธรรมก็จะไม่มีผู้ที่รู้ธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้ส่งเห็นก็จะไม่สามารถเอาพธรรมอันเลิศอันประเสริฐ ที่จะพาให้สัตว์โลกทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จึงต้องมีการศึกษาปฏิบัติและมีการบรรลุการจะศึกษาปฏิบัติบรรลุก็ต้องมีการบวชพระภิกษุต้องบวชและการจะบวชอยู่ได้ก็ต้องมีปัจจัยสี่ที่พร้อมเพียง คือมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่อยารักษาโรคนี่เป็นหน้าที่ของศรัท ธ, ธาญาติโยมที่พึงกระทาต่อพระภิกษุพระภิกษุกับญาติโยมนี้มีหน้าที่แลกเปลี่ยนกันพระภิกษุมีหน้าที่สั่งสอนพระธรรมคำสอนญาติโยมมีหน้าที่อุปธรมอุปถาเลี้ยงดูพระภิกษุด้วยปัจจัยสี่ ถ้าทางฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนศาสนาก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่ไปนานๆเป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกไปนานๆเพราะสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไม่รู้จักทมไม่รู้จักวิธีที่จะกระทำความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้ก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ดังนั้นเราจึงต้องมีพิธีเช่นพิธีถวายผ้ากระถินเพื่อที่จะได้ให้พระสงฆ์มีผ้าไว้สำหรับเปลี่ยน ก็หลังจากใช้ผ้าไปปีหนึ่งแล้วผ้าก็เก่าก็ขาดได้จําเป็นต้องมีผ้าใหม่มาเปลี่ยนจึงมีจึงถือว่าการถวายผ้ากรถินนี้เป็นบุญมากมีอนิสงส์มีประโยชน์มากเพราะ ส, สมัยนั้นเป็นสมัยที่ขาดแคลนผ้าหาผ้าได้ยากถ้าผ้าไม่มีผ้าห่ม ้าก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของตนได้อย่างเต็มที่จึงถือว่าการถวายผ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สำคัญเพราะว่ากำลังขาดแคลนความขาดแคลนนี้จึงทาให้เป็นการกระทำที่เรากระทำเพื่อลดภาวะของการขาดแคลนนี้เป็นบุญเป็นกุศลมาก ถ้าเราให้สิ่งที่มีเหลือเฟือมันก็จะไม่เป็นกุศลไม่เป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันมีเหลือเฟืออยู่แล้วดังนั้นเวลาเราทาบุญทาทานเราควรที่จะมองไปที่ว่าความขาดแคลนอยู่ตรงไหนถ้าผ้าขาดผ้าก็ถวายผ้าขาอาหารบิณฑบาตก็ถวายอาหารบิณฑบาตขาดที่อยู่อาศัย ก็ช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคก็ช่วยกันดูแลหาอยู่หายาถ้าต้องไปโรงพยาบาลหาหมอถ้าไม่มีใครพาไปก็ควรที่จะพาไปเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าถ้าอยากจะทําบุญอุปถากับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ขอให้อุปถาพระป่วย พระพระอาาเพราะจะถือว่าได้ปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าพระทุกรูปนี้ถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้ามีความรักมีความห่วงใยและมีหน้าที่ต้องคอยดูแลลูกๆทุกคนเหมือนกับพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลลูกฉันใด ถ้าเราอยากจะรับใช้พระพุทธเจ้าอยากจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราทำบุญกับพระอาพาธเราจะไปบริจาคเงินตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีตึกสงอาพาธก็ได้หรือบริจาคไป ท, ที่วัดแล้วให้ทางวัดเก็บไว้สำหรับดูแลพระภิกษุสามเณรที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ อย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าถวายผ้าอย่างสมัยนี้นิยมถวายผ้ากันจนกระทั่งวัดนี้กลายเป็นร้านขายผ้าไปแล้วเพราะว่าผ้าก็มีไม่กี่รูปแต่ญาติโยมก็มีเป็นร้อยเป็นพันก็เวลามาทีไรก็ถวายผ้ากันเพราะเชื่อว่าถวายผ้าแล้วได้บุญมากนั่นเองแต่บุญนั้นส่วนเึ่งอยู่ที่ ความจำเป็นความขาดแคลนถ้าเราให้สิ่งที่ขาดแคลนมันจะได้บุญมากกว่าเพราะผู้รับจะได้รับประโยชน์ถ้าเราให้สิ่งที่มีเหลือเฟือแล้วให้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้รับกลับจะกลายเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาหรือต้องหาที่เอาไปแจกเอาไปจ่ายต่อีตอนต่อผ้าหรือของต่างๆที่ทางวัดได้รับมา ถ้ามีมากเกินไปทางวัดก็ต้องเอาไปช่วยเหลือผู้ที่เขาขาดแคลนไปที่โรงเรียนบ้างไปตามวัดที่อยู่ไกลอยู่ห่างไกลอยู่สถานที่กันดาน ต, ต่างๆบ้างเพื่อที่จะได้ทำให้ของต่างๆเหล่านั้นเกิดประโยชน์ขึ้นมาของต่างๆถ้ามีมากๆแล้วมีวางไว้เฉยๆไม่เป็นประโยชน์อะไร เหมือนกับเงินทองของญาติโยมที่มีมากมาแล้วไม่ได้เอาไปใช้อะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรควรที่จะนามาทาบุญ ท, ทาทานจะดีกว่าเพราะว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นกับจิตใจของพวกเราเป็นทรัพย์ของจิตใจจิตใจของพวกเรานี้ต้องใช้บุญเวลาที่ต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราเอาเงินทองติดตัวไปไม่ได้แต่เราเอาทรัพย์ภายในไปได้ก็คือบุญนี่เองบุญนี่ก็เปรียบเหมือนกับ <c oughs> บัตรเครดิตที่เราถือติดตัวไปเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราไม่สามารถเอาเงินไทยออกไปได้เพราะเอาไปก็ใช้ไม่ได้ต่างประเทศเขาไม่รับเงินบาทเขารับเงินเหรียญ เราก็ต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเ t ทีเมเวลาไปเราก็จะได้ใช้บัตรกไ ด, ดได้รูดได้บุญก็เหมือนกับบัตรเครดิตนี้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราไปกับใจแล้วถ้าใจมีบุญเราก็เหมือนกับมีบัตรเครดิต เราก็ไปพักอยู่ตามโรงแรมห้าดาวได้กินอาหารตามร้านอาหารห้าดาวได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้เพราะเรามีบัตรเครดิตมีบัตร A อเไว้สำหรับจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าเราไม่ทำบุญกันไม่เอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มามาฝากไว้ในธนาคารบุญเวลาเราออกเดินทางไป เราก็จะไปแบบขอทานเพราะเราไม่มีเงินจะไปเข้าพักโรงแรมก็พักไม่ได้จะไปกินอาหารตามร้านอาหารต่างๆก็กินไม่ได้ก็ต้องไปนอนข้างถนนไปขอทานอยู่แถวข้างถนนรอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่เวลาเขามาทำบุญที่วัดเขาก็จะกวดน้าส่งไปให้กวดบุญส่งไปให้ แต่บุญที่ส่งไปนี้ก็สู้บุญที่เราทําเองไม่ได้เพราะบุญที่เราทําเองนี้เราเอาไปได้เต็มร้อยแต่บุญที่อุทินี้ได้ไปเพียงเสี้ยวเดียวไม่ถึงร้อยละหนึ่งเสี้ยวได้ซ้ํำไปพอประทังชีพไปได้วันวันหนึ่งนี่แหละคือเรื่องของการทําทานต่างๆการถวายผ้ากรถินนี้ก็เป็นทานอย่างหนึ่งการใส่บาตรก็เป็นทานอย่างหนึ่ง การถวายกุฏิโบสถ์สาลา<ม>ก็เป็นการทำทานอย่างหนึง่ง<ม>การดูแลผ้าพิกษสุถวายหยู่ถวายยาพาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นทานอีกอย่างหนึง่ง<ม>ทานนี้ก็มีแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันแบบหนึ่งเรียกว่าบุคคลิกทานและอีกแบบหนึ่งเรียกว่าสัมกทาน บุคคลิคทานก็คือบุทานที่เราถวายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งส่วนสงมทานนี้เป็นทานที่เราให้กับองค์กรให้ส่วนรว ม, มถ้าภาษาจีนก็คือให้กงสีไม่ได้ให้คนนั้นคนนี้ถ้าให้คนนั้นคนนี้โดยเฉพาะก็เรียกว่าบุคคลิกทานถ้าให้กงศีเช่นมาถวายให้กับวัด อย่างศาลาหลังนี้เวลาที่เขาสร้างเสร็จเขาถวายเขาไม่ได้ถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งแต่เขาถวายให้กับวัดเรียกว่าเป็นสังฆทานถวายให้กับสงฆ์สงฆ์ก็คือวัดองค์กรของพระนี่เองพระพุทธเจ้าสรมตัดว่าการถวายให้กับวัดถวายให้กับสงฆ์นี้มีอ น, นิสงส์มากกว่าการถวายให้กับบุคคล เพราะบุคคล น, นี้มีอายุไม่ยาวเหมือนกับองค์กร อ, องค์กรนี้อยู่ไปได้นานกว่าบุคคลถวายให้กับคนคนหนึ่งก็อาจจะอยู่ได้ถึงอายุเจ็0สิปปีก็ตายไปแต่ถวายให้กับวัดก็จะอยู่กับวัดไปเป็นเวลาอันยาวนานแต่ก็จำเป็นจะต้องถวายให้ทั้งสองส่วนบุคคลก็จำเป็นต้องมีปัจจัยสี่ เช่นเวลาเราบินทบาตเราก็เหมือนกับถวายให้กับบุคคลใส่บาทให้กับพระรูปนั้นรูปนี้ไปแต่เวลาเรามาทาภารกิจให้กับวัดเราก็ถวายให้กับวัดไปอย่างผ้ากรถินนี้ท่านก็ให้ถวายเป็นสังฆทานไปคือไม่ให้ถวายเจาะจงให้กับพารูปใดรูปหนึ่งมอบให้กับสงแล้วให้สง์เป็นผู้พิจารณา สมก็จะพิจารณาดูว่าใครขาดแคลนผ้าใครไม่มีผ้าถ้าผ้าเก่าผ้าขาดแคลนก็จะให้ผ้าที่มีผ้าที่เก่าขาดแคลนแต่ถ้ามีผ้าครบกันทุกองค์ทุกรูปก็จะพิจารณาความอาวุโสความผู้มีเป็นมีคุณมีประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถวายให้กับเจ้าอาวาสเพราะท่านเป็นผู้ที่มีคุณมีประโยชน์กับพระศาสนากับวัดมากกว่าพระลูกวัดเพราะท่านบวชมานานอยู่มานานดูแลวัดดูแลศาสนามานานแต่ถ้าในกรณีที่ขาดแคลนผ้าท่านจะให้พุ่งไปที่บุคคลที่ขาดแคลนก่อน นี่คือเรื่องของการทำทานเป็นการจาคะเรียกว่าเป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันประโยชนสุขที่เรามีอยู่มากเกินความจำเป็นความจำเป็นของเราก็คือปัจจัยสีถ้าเรามีอาหารมีเครื่องนุ่งหง่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคพอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะมีมากไปกว่านั้น ส่วนที่เกิด น, นีน่าจะเอาไปทําประโยชน์เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญจะดีกว่าเพราะเวลาเราตายไปถ้าเรามีบุญพาไปเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราไม่มีบุญเรามีแต่บาปพาไปเราก็จะไปเกิดในอบายไปเกิดในอบายสี่แห่งด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรก นี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่ทำบุญทําแต่บาปไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ส่วนผู้ที่รักษาศีลห้าได้แล้วก็ทำบุญทาทานอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอเวลาตายไปก็ได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วถ้าได้ปฏิบัติธรรมด้วยคือนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ ก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมอย่างญาติโยมบางท่านในวันพระก็จะมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลแปดมาทำใจให้สงบมานั่งสมาธิกันอันนี้ก็เป็นการสร้างพรหมสมบัติสำหรับญาติโยมที่ทำบุญทาทานแล้วก็รักษาศีหน้าก็เป็นการสร้างเทวสมบัติกันแล้วญาติโยมที่ จะรอนวิปัสสนาได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเ ห, เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระนิพพานถ้าได้ขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป แต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระอรหรันต์เช่นถึงขั้นพระโสดาบันก็ยังต้องมีภพชาติอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าขึ้นอีกไปอีกขั้นหนึ่งก็เหลือชาติเดียวถ้าขึ้นไปชั้นขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะบรรลุพระนิพพานตามลําดับต่อไปนี่คือเรื่องของการ ทำบุญขั้นต่างๆเราต้องทําจากขั้นต่ําขึ้นไปสู่ขั้นสูงเพราะเหตุใดเพราะขั้นต่ํานี่ง่ายกว่าขั้นสูงเหมือนกับการเรียนหนังสือเราต้องเริ่มต้นที่ขั้นอนุบาลไปก่อนจากอนุบาลเราก็เขึ้นสู่ขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาไปตามลําดับฉันใดการที่เราจะทําบุญขั้นต่างๆ เราก็จำเป็นจะต้องเริ่มที่ขั้นต่ก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไปเริ่มที่ขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนาได้เลยเพราะเราจะไม่มีความสามารถพอเราต้องค่อยๆไต่เ ต, ต้ า, ตาขึ้นไปขั้นต้นมาทำบุญทำทานกันแล้วก็มารักษาศีลห้ากันต่อมาวันพระก็มารักษาศีลแปดแล้วก็มานั่งสมาธิกัน นั่งสมาธิได้แล้วก็มาเจริญปัญญากันต่อมองอะไรมองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นมองเห็นร่างกายของเราก็ต้องมองว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายแล้วเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเราเราถึงจะสั่งมันได้แต่ของที่ไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันอย่างไรมันก็ไม่ฟังเรา สั่งไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ฟังเรามันก็จะแก่จะเจ็บจะตายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ต้องไปสั่งมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันเจ็บมันตายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่อย่างสบายนี่แหละคือใจของผู้ที่มีปัญญา จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนไม่เศร้าโศกเสียใจกับการพัดพากจากของสิ่งต่างๆไปจะเสียอะไรไปก็เฉยๆเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียมีใครบ้างไม่เสียมีใครบ้างที่เอาอะไรติดตัวไปได้เวลาตายไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยแล้วมาหวงทำไมมาห่วงทำไมมาเสียอกเสียใจทำไมควรจะดีใจ ก็ไม่มีมันแล้วจะได้ไม่ต้องมาดูแลรักษาเหมืนเวลาดูแลก็เหมือนกับดูแลของที่เขาเอามาฝากไว้นั่นเองของที่ฝากไว้ดูแลแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวถึงเวลาเจ้าของก็มาเอาคืนไปร่างกายของเราก็มีเจ้าของเจ้าของคือใครก็คือดินน้ำนมไฟนี่เดี๋ยวถึงเวลาดินน้ำนมไฟก็มาเอาร่างกายนี้ไปเราษาเลี้ยงดูแทบเป็นแทบตาย เดวถึงเวลาเจ้าของก็มาเอาคืนไปไปเลี้ยงมันทำหมให้เหนื่อยยากเลี้ยงมันพอถูไถไปได้ก็พอไม่ต้องไปเหนื่อยไปยากไปทุกข์ไปลําบากนี่คือผู้ที่มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะจะทําให้ทุกข์ไปเปลปาๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่โหวมเราจะไม่ทุกข์จะอยู่อย่างเย็นอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวไม่กุ้ม อ, อกกุ้มใจไม่เสีย อ, อกเสียใจนี่แหละคือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทํากันโดยให้เริ่มต้นที่การทําทานก่อนโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นการมีการถวายกรถินญาทานถวายผ้ากระถินเป็นทานให้แก่สง์ มีอนิสงฆ์มากมีมีประโยชน์มากก็ขอให้พวกเราพยายามทำกันไปมากๆทําให้มากๆทํามากเท่าไหร่ก็จะทําให้เรารักษาศีลบริสุทธิ์ได้มากขึ้นไปเท่านั้นรักษาศีลได้ก็จะปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทําบุญในวันกฐินนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญและความสิ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอตเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพาละโดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>